ในภาคบ่ายครับก็จะได้มาทำความเข้าใจในหลักธรรมธรรมพุทธศาสนาหรือลักษณะของการถามตอบต่อไปครับก <c oughs> ็พวกเรานั้นได้สำรวมกายวาจาใจในการที่จะตั้งใจฟังพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า <c oughs> ในปัญหาที่ได้ถามครั้งเอาไว้ครับท่านอาจารย์ในเรื่องของศีลนะฮะ ในข้อแรกก็คือได้ถามไปแล้วนะครับว่าศีนมีความหมายว่าอะไร<า>นะเราก็ได้ทราบความหมายของศีนไปแล้วต่อไปครับเมื่อความหมายของศีนเหล่านั้นนะครับตัวธรรมะนะที่เป็นตัวศีนนั้นได้แก่ตัวธรรมะอะไรนะก็ได้ถามนะครับว่าอะไรเป็นสภาพธรรมของศีนหรือตัวศีนนั่นเองนะเช่นร่างกายใช่ไม่เป็นศีนจิตใจใช่ไหมเป็นศีนนะครับหรือ อะไรมันคือตัวศีลกันแน่นเพราะเราพูดกันว่าศีลบ่อยๆนะครับก็ขอให้ท่านพระอาจารย์ช่วยทำความกระจ่างนะครับว่าศีลเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรการับิปมนครับท่านพระอาจารย์ครับท่านพระอาจารย์สติก่อนก็ได้ครับในวิสุทธิมรรคก็ดีท่านก็อ้างในปฏิสัมพิธามรรคของธรรมสารีบุตรนะนะ นั่นก็แสดงว่าเจตนาก็เป็นศีลเจตสิญศึกก็เป็นศีลสังวรก็เป็นศีลการไม่ก้าวล่วงก็เป็นศีลศีลเยอะเลยเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องของเจตนาทานเจตนาก็เป็นทานด้วยนะแต่เจตนาก็เป็นศีลอีกเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องจัดสรรเจต น, า, นาว่าช่วงไหนเวลาไหนจะเป็นเจตนาทานช่วงไหนจะเป็นเจตนาศีล แล้วศีนั้นก็ไม่ได้มีแค่เจตนาอย่างเดียวยังมีวิรตียังมีสังวรซึ่งสังวรมีเท่าไหร่รู้ไหมสังวรมีทั้ง5้าอย่างก็เป็นศีนด้วยนะแต่ว่าอันนี้โดยโดยโดยอัดโดยสงเคราะห์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีวิปัสสนาอยู่ด้วยในนี้แต่ว่าท่านก็เรียกว่าศีได้เพราะมีการสํารวมมีการสังวรจากอกุศลประการต่างๆประเภทต่างๆนะ นั้นธรรมะหกลุ่มที่แสดงว่าเป็นเจตนาก็เป็นศีลหรือว่าเจตสิกสังวรเขาไมาก่กล้าร่วมเนี่ยจัดเป็นสภาวธรรมได้ห้ากลุ่มด้วยกันสภาวธรรมหกลุ่มนี้ถ้าพูดถึงเป็นตัวธรรมะเป็นตัวธรรมะถึงสิบประเภทด้วยกันเจตนาในการที่เราจะสมาทา น, นเพื่อที่จะระวังสํารวมกายวาจาเรียกว่าสมาทานวิรัติเนี่ยนะ เป็นวาริตศีลหรือว่าเจตนาในการที่เราจะมีการประพฤติชอบมีเวิยาวจัยหรือว่ามีการประพฤติหน้าที่ที่ดีต่อกัน <S <s the, เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะจะต้องมีการประพฤติต่อกันอย่างไรพ่อแม่พี่น้องนะหรือว่าครูบาอาจารย์จะต้องประพฤติต่อกันอย่างไรต่อลูกศิษย์หรือว่าสมณะกับเพื่อนหัดทั้งหลายเนี่ยจะต้องประพฤติต่อกันอย่างไรอันนี้เป็นจริตศีลด้วยนะ นะเมื่อมีความตั้งใจในการที่จะประพฤติดีต่อกันเนี่ยนะแล้วก็วิรตีการลดเว้นจากทุจริตนะโดยที่เป็นสัมปัตตาวิรัตก็คือมีวัตถุให้เว้นเฉพาะหน้าเนี่ยตัววิรัตต่างจากตัวเจตนานะแม้ว่าเกิดกับเจตนาก็จริงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าตั้งใจไว้ความตั้งใจมีกําลังหรือว่าวิรตีมีกําลังกว่ากัน ถ้ามีการวิรัติงดเว้นเฉพาะหน้า น, นั้นก็เรียกว่าเป็นเวรวิรัติที่เป็นสัมปตาวิรัติแต่ถ้าเกิดไม่มีวัตถุให้งดเว้นเฉพาะหน้าแต่ว่าตั้งใจไว้ก่ อ, น, อ น, น, นตั้งใจว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักษ์จะรักษาศีลห้าอันนั้นก็เป็นสมาทานวิรัติทันวิรัติที่สเนี่ยงดเว้นจากการพูดบทถอเสียมิ้นยาเพลเจอร์อันนี้เรียกว่าเป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าการพูดนะแต่หมายถึงการงดเว้น สมารกรรมต่างก็เหมือนการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการมสมาอาชีวะงดเว้นจากการเลี้ยงชีพผิดด้วยกายัทุจริตวจีทุจริตที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพเป็นการงดเว้นนะวิรติสามนี่ก็เป็นศีลเป็นสิ่งที่เราจะต้องอบรมด้วยเพราะว่าเป็นมรรคเมืองแปดนะเป็นส่วนของมรรคเมีองแปดนะต้องอบรมแต่ว่าวิรตินี้ไม่ได้เกิดได้เป็นประจำต้องสมาทานเอาไว้เป็นปัจจัยให้วิรติเกิดได้ แล้วก็ยังมีอโลภาอโทสะอโมห ะ, ะซึ่งก็เป็นกุศลที่เป็นมโนสุจริตอ น, นาพิชาความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นอัพยาบาทความไม่ผูกโกรธมีเมตตาต่อผู้อื่นแล้วก็สัมมาทิฐิเห็นถูกต้องที่จะทําให้ไม่มีมโนทุจริตอันนี้ก็จัดว่าเป็นศี่ได้เหมือนกันนะเป็นส่วนของกุศลแล้กมบททางใจแล้วก็ยังมีสังวร อ, อีกห้าอย่างปาฏิโมกสังวรนะสําเร็จด้วยศรัทธา แต่ว่าโต้ยองค์ธรรมก็หมายถึงเจตนากับเวรตีนั่นแหละที่มีการประพฤติตามสิกขาบทที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้หรือว่ามีการงดเว้นจากสิกขาบทที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าไม่ให้ทำํำส่วนอินทรียัสังวรหรือว่าสติสังวรก็เป็นการสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็เป็นการสังวรจากอาวสณ์อภิชาตมรรตที่เกิดขึ้นนะทางทวารหญยานะสังวรก็เป็นปัญญาในการที่จะกั้นกระแสของตัณหา รวมทั้งการพิจารณาปัจจัย4ที่เราบริโภคด้วยเมื่อครู่นี้บริโภคอาหารนี่พิจารณาปัจจัยหรือเปล่าถ้าไม่พิจารณาก็เสียสังวรนะโยมนะเสียยาณสังวรไปแล้วแล้วก็ขันติสังวรนะอดทนอดกลั้นต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายต่างๆไม่ให้อวสุริจิตเกิดขึ้นนะนี่ก็องค์ธรรมก็เป็นอโทสานะแต่ถ้าเกิดเป็นสติสังวรองค์ธรรมก็คือตัวสติ ปฏิโมกษสังวรองธรรมก็คือตัวเจตนาตัววิรติส่วนวิร ะ, ะวิริยะสังวรก็หมายถึงวิริยะที่เกิดร่วมกับเจตนานั่นเองเป็นการห้ามหรือเป็นการไม่ยอมให้อกุศลจิตเกิดขึ้นติดต่อกันนะไม่ป้องกันกีดกัน้นหรือว่าไม่ไม่ให้อกุศลจิตเกิดขึ้นติดต่อกันเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวิริยะสังวร อันอันนี้เป็นสังวรห้าส่วนการไม่ก้าวล่วงนั้นก็เป็นกุศลจิตตุ บ, บาทนะที่เกิดขึ้นที่กว้างมากเลยสําหรับการไม่ก้าร่วงเนี่ยนะถ้าพูดถึงโดยความเป็นไปก็คือเป็นได้ทั้งศีลสมาธิปัญญาเลยแต่ว่าท่านก็ใช้ในอัตตะของคําว่าศีลด้วยนะก็คือเจตนาเจ ต, เจตสิกสังวรแล้วก็การไม่ก้าร่วงเนี่ยอันโดยองค์ธรรมสภาวะธรรมก็ต้องสิบอย่างด้วยกัน เวรตีเจตนาแล้วก็มโนสุจริตสามแล้วก็พวกวิริยะพวกสติแล้วก็กุญญศลจิตตุกบาทจะมีอะไรเพิ่ ม, ม, มเติมไหครับอาจารย์เมื่อสักครู่ก็คือท่านอาจารย์นันติพูดเกี่ยวเรื่องตัวสภาวะก็คือตัวเจตนาศีลทีนี้เจตนาศีลที่พูดถึงถามถึงคำถามถา ม, ถามบอกว่าสภาพธรรม ก็คือตัวสภาวธรรมของสีในตัวเจตนาสนีนั้นตัวหนึ่งสรุปให้เห็นชัดตอนนี้ก็คือตัวเจตนาเป็นตัวสีซึ่งเจตนาที่เป็นทานได้กล่าวไว้แล้วตอนช่วงเช้าตอนนี้มากล่าวถึงในเรื่องของเจตนาที่เป็นศีนี่ก็บ่งบอกถึงว่าการพัฒนาของการว่าทานก็คือการสละก็คือการให้การสละและการให้ต่างๆเช่นว่าให้ตัววัตถุทาน แล้วก็ขับเน้นไปจนถึงที่กล่าวถึงกันเมื่อเช้าก็คือว่าอโลภาทานก็ต้องเด่นชัดขึ้นด้วยและความไม่โกรธแล้ก็ขับเน้นถึงตัวปัญญาสรุปทั้งหมดก็คือว่าแม้ทานตะโกสลที่เป็นสัตปุริสถานทานของสัตว์บุรุษนั้นน่ะก็เป็นทานที่มีปัญญากำกับชัดทีนี้ถ้าถามว่าจะพัฒนาเขาสู่ชั้นต้งศีลที่เป็นในส่วนของอภัยทานเป็นต้นที่กล่าวว่าให้ความไม่ให้ความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินของเขาเช่น ถามว่ากุศลศีลในในฐานะที่มาเป็นในชั้นของพระสู่ที่ท่านกล่าวเขาไว้ในคำสอนเนี่ยพุทธเจ้ากล่าวถึงในด้านของคําว่ามหาทานใช่ไหมมหาทานเช่นว่าการให้ความปลอดภัยในชีวิตให้ความปลอดภัยในชีวิตให้ความไม่เบียดเบียนอันนี้เป็นเป็นมหาทานก็คือเป็นศีลนั่นเองแล้วก็ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาให้ความปลอดภัยโดยการไม่โกหกเน่ย ไ, ไหมไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำไม่พูดซอเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเฟิร์เจอไม่พึ่งไม่พัฒน์สลายตนเองด้วยของมึนเมาทั้งหลายเหล่านี้อันนั้นชื่อว่าให้ความให้ให้ความปลอดภัยเขาทั้งหมดเลยเงี้ยสรุปแล้วในชั้นของศีลก็คือเป็นการให้คือเจตนาคือจิตที่คิดจะให้นั่นเองนั้นเจตนาศีล น, น่ยถ้ามาขับเน้นตรงนี้ที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์กล่าวมาว่าเจตนานั้นเนี่เพราะอาตมาว่จาจัดแจงซึ่งนา ม, มาทําทั้งหลายใช่ไหม จัดแจงอะไรจัดแจงผัสสะปกติธรรมชาติของผัสสะที่จะกระทํากิจในการกระทบอารมณ์เวทนาที่จะทํากิจในการสวยรสของอารมณ์สัญญาที่จะทำกิจในการจําอารมณ์เป็นต้นเหล่านี้นะสรุปก็คือความไม่โลภที่จะทํากิจเนอะอารมพะที่จะทํากิจของเขาได้อโทสะที่จะทํากิจถึงความไม่โกรธและปัญญาจะทํากิจในการที่เข้าไปรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นเหล่าเนี้ตัวเจตานานั่นแหละเป็นตัวจัดแจง ถ้าไม่มีเจตนาเหล่านี้ก็จะจัดแจงสิ่งต่างๆนี้ไม่ได้ตรงสังเกตตรงที่ว่าทางท่านมหาสุพลอาจารย์มหาสุพลแล้วก็วทางอาจารย์สุรพงศ์สรุปคําว่าศีระณะใช่ไหมที่ไปตัวสรุปที่พูดถึงคําว่าศีระณะมีอยู่สองสามความหมายที่บอกว่าสมาทานังกับอุปาทานังมันก็ไปเชื่อมโยงกันเพื่อจะเข้าไปถึงตัวสภาวะว่าสภะสมาทานังที่บอกว่า ธรรมชาติของศีลอย่างหนึ่งลักษณะของศีลอย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะของเขาก็คือว่าทํากายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกลลไม่ให้กระจัดกระจายก็คือไม่ให้สซ่านไปด้วยการทุ่ศีลก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นฉะนั้นกายกรรมที่มีการประพฤติผิดทางกายมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดทางก ร, รมทั้งหลาย น, นี่แปลว่ากายกรรมมันเกลือๆๆ่อนกล่นมันกระจัดกระจายแล้วมันทุ่ศีลออกไปแล้ววิจีกรรมก็มีาการพูดเทศส่อเสียดคําหยาบแล้วเพ้อเจ้อเห็นไหมฮะ ไอการที่กายกรรมวิจีกรรมเนี่ยมันล่วงละเมิดบาปออกมานั้นบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าภ า, าวะของความเป็นผู้ทุศีนมันเกิดแล้วถามว่าศีนมันเกิดที่ไหนเกิดที่ใจอย่างนีกุศลศีนเนี่ยเกิดที่ใจแต่ศีนนั้นมาจัดแจงกายจัดแจงวาจานั้นไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้สร้างไปด้วยความทุศีลถามว่ากรณีาการจัดแจงตรงนี้ที่ท่านอาจา ร, รย์สันติกล่าวเมื่อสักครู่นี่กล่าวขับเน้นตัวเจตนาแต่เจตนาตรงนี้เป็นตัวขับเน้นตัวเจตนาศีน คือจิตที่คิดจะไม่ให้กายกรรมวิจีกรรมนั้นร่วงละเมิดบาปออกมาทางกายโดยสรุปตรงนี้ก็คือไม่เผยบาปออกมาทางกายทางวาจาและโดยเฉพาะทางใจด้วยถามให้สังเกตนะ้ทําไมถึงบอกว่าทางใจด้วยลักษณะของศีลศีลลนะเนี่ยถ้ากิจของศีลก็ทําลายความทุศีลผลปรากฏอาการปรากฏที่เรียกผลปรากฏของศีลจะเห็นชัดก็คือความที่กายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาด เศีลในที่นี้ขับเน้นตัวกุศลศีลเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์สันติกล่าวถึงว่าในปฏิสัมพิธามักใช่ไหมในปฏิสัมพิธามักท่านจะกล่าวศีลไว้สาประเภทกล่าวเรื่องกุศลศีลมีกุศลจิตเป็นสมุทฐานอากุศลศีลมีอกุศลจิตเป็นสมุทฐานและอัพยากตศีลมีอัพยากตจิตเป็นสมุทฐานอันนั้นก็ว่าหลั ก, การไปแต่ในที่นี้ที่จะมากล่าวกัน น, ะนั่นน่ะกล่าวในชั้นของกุศลศีล ซึ่งจะไม่ขยายยาวไปถึงว่าเอาปยากระตาสลหรืออกขุสรศีลแล้วเพราะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากก็เหมือนที่ท่านอาจารย์สันติบอกว่าพยายามจะสรุปประเด็นให้ให้เร็วแล้วให้พวกเราได้ประโยชน์มากดีสเดยินเนี่ยแต่ก็อยู่ตรงที่ว่าหนึ่งท่าามาก็จะพยายามจะทำหน้าที่ให้เต็มที่พวกเราก็ต้องทําให้เต็มที่นะเนะ <c oughs> <c oughs> ี่ย <c oughs> <c oughs> พราะช่วงกินข้าวมาหยิบ ย, มยืมเนี่ยมาก็เป็หนห่วง เมื่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ได้ให้หลักการอะไรเยอะเพราะให้ไป ม, มากๆแล้วเนี่ยความคิดจะค่อนข้างจะไม่ทันขึ้นมามันก็จะมึนใช่ไหมพอมึนขึ้นมาก็เอาแล้วตัวเนี้ยตัวใครตัวใครแล้ว <c oughs> ตรงนี้ก็คือว่าต้องการให้ทราบว่าตรงนี้ต้องการพูดถึงตัวสภาพของธรรมของกุศลศีลในชั้นนี้ขับเน้นตัวเจตนาศีลทีนี้ไอตัวเจตนาศีลเนี่ยขับเน้นในข้อของ ว, ว่าในส่วนของปาติโมกขังวรศีลก็มีเจตนาอยู่ในนั้น มีเจตนาอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่ามีศรัทธาเป็นประธานก็จริงแต่ขับเน้นตัวเจตนาอยู่ในนั้นและยังลึกลงไปถึงตัวสภาพธรรมที่ท่านอาจารย์สันติว่ามาสักครู่นี้ด้วยว่าตัวเจตสิกศีลด้วยเช่นความไม่โลภเนี่ยความไม่โกรธเนี่ยปัญญาก็เป็นศีลเนี่นะหรือสัมมาวาจาก็เป็นศีลสัมมากรรมตะก็เป็นศีลสัมมาอาชีวาก็เป็นศีลดูทีอันนี้คือตัวสภาพธรรมของศีลหมดเลยซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ใช่ไหม ว่าเขาเป็นศีลอย่างไรคิดยังไงเป็นศีลคิดแบบไหนศีลไม่เกิดอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องเห่งการ์ที่จะนำมาเอาเป็นข้อปฏิบัติได้จริงในชีวิตจริงด้วยเพราะศีล น, นั้นไม่ใช่แค่อย่างที่เรารู้กันน่คือหลักการนะเช่นข้อที่หนึ่งห้ามจากการฆ่าสัตว์อย่างนี้ศีลห้าอังยมเนี่ยข้อที่สองงดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการพูดผิดในกรรมข้อสมงดเว้นจากการพูดเท็จข้อ4แล้วก็งดเว้นจากการดื่มสุราและเมลยัยเป็นที่ตั้งความประมาทอันนี้คือหลักการเนี่ยแต่ในข้อที่จริงอ่ะไอตัวเจตนาที่จะมากระตุ้นเตือนชักนําสมบยุทธธรรมให้เกิดขึ้นมาเป็นกุศลศีลและเป็นกุศลจิตแล้วก็เกิดขึ้นมาเพื่อจะมาปิดบาปทางกายทางวาจาไม่ให้ล่วงละเมิดออกไปอย่างไรและไม่ใช่เป็นการปิดบาปทางกายทางวาจาแต่จิตเครียดนะเช่น ไม่กล้าล่วงละเมิดจริงแต่เครียดมากหงุดหงิดมากแต่ไม่กล้าพูดตอบโต้เข้าไปทางทางวัจว จ, จีกรรมกลัวศีลจะขาดแต่โกรธไม่โกรธไม่อยากจะฆ่าสัตว์แต่ไม่ฆ่าเราเพราะกลัวจะละเมิดศีลแต่อยากจะฆ่าเต็มทนเลยตอนนั้นจิตความรู้สึกตรงนั้นมดก็ ก, กัดทุกวันทุกวันเนี่ยยุงก็กัดนี่แต่ใจก็อยากจะฆ่าเลยถามว่าตรงนั้นเนี่ยตอนนั้นกุศลศีลเกิดไหมทําไมถึงไม่เกิดเพราะกุศลแลจิตไม่เกิด ใช่ไหมเพียงแต่บอกว่ารู้ข้อบัญญัติไว้แล้วเนี่ยว่าจะศีลขาดก็เลยเครียดทั้งวันมากมดก็ขึ้นกดุดใช่ไหมไปนอนในมง้งยงก็เขาตาม้าไปกัดอีกะอะไรเงี้ยเนะ่อันนี้ก็มีปัญหาก็เลยเครียดแต่ไม่กล้าตบกลัวว่าไม่กล้าตีเขากลัวว่าศีลจะขาดแต่ภาวะของความกลัวในขณะนั้นบ่งบอกว่าไม่มีศีล น, นะศีลไม่ได้เกิดเพราะศีลไม่ใช่โทสภาพศีลไม่ใช่อโทสะไม่เป็นศีล ต้องอาโทษาคือความไม่โกรธถึงจะเป็นศีลใช่ไหมโลภะ ค, ความโลภก็ไม่ใช่ศีลอโลภะ ค, คือความไม่โลภเนี่ยเป็นตัวศีลปัญญาคือการที่เข้าไปรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมจึงไม่กล้าล่วงละเมิดกายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมก็ไม่เป็นบาปอย่างเงี้ยมันออกมาในลักษณะอย่างนี้นะชั้นของกุศลศีลจริงๆนี่คือถานถึงตัวสภาวะของศีลซึ่งในรายละเอียดต่างๆก็จะจะเก็บทีละตัว เพื่อมาทําความเข้าใจหรือหรือทําความเข้าใจแบบคร่าวๆอันนั้นก็ต้องกลับไปที่ผู้ถามใช่ไหมถ้าจะต้องการจะเออต้องการดูเจตนาเป็นศีลอย่างไรก็เลยถามนั่นอาจารย์มหาสุพลหรือว่าอาจารย์สันติไปเจตสิกแต่ละตัวเป็นศีลอย่างไงใช่ไหมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าทํากิจทําหน้าที่อย่างไรและจะเอาไปเจริญอย่างไงอันนั้นก็ต้องฝากกลับไปที่ผู้ถามเพราะปัญหาถามวัฏฏภาพธรรมเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์สันติก็ตอบไปแล้วใช่ไหมว่า เจตนาศีลแล้วก็ความไม่โลภความไม่โกรธปัญญาก็เป็นเจตสิกศีลส่วนหนึ่งแล้วก็สมมาวิจาสมมากรรมตาสมาชีวะนี่ก็เป็นพวกกลุ่มเจตสิกศีลแล้วก็ยังเป็นกลุ่มสังวรซึ่งก็ยังต้องไล่ไปตามลำดับอีกกลับไปที่พุทธามีทีเพราะรายละเอียดเยอะมากท่านพระอาจารย์เหมาสุพลมีอะไรจะอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวให้ อาจารย์สุรพงศ์สรุปเลยดีกว่าเ <c oughs> นอะสรุปในข้อที่สองนะครับก็คืออะไรเป็นสภาพธรรมของสีก็คือเป็นตัวสีนั่นเองซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้แสดงให้เราทราบว่าอย่างข้อที่หนึ่งก็คื อ, อเจตนาศีใช่ไหมครับก็คือก็ได้แก่ตัวเจตนาอย่างหนึ่ง สองเจตสิกศีลจ้านี้พอพูดว่าเจตสิกก็อาจจะผู้ที่ไม่ได้เรียนธรรมมาโดยตรงก็อา จ, จะฟังเข้าใจยากนะครับก็คือเช่นพวกโลภะอะไรงนี้นะครเนี่ยอาโทสะที่ท่านอาจารย์ว่าไปนะครับแล้วก็สังวรศีลนะครับสังวรศีลศีลก็คือการปิดกั้นบากนั่นเองซึ่งท่านก็แสดงไว้ถึง5ประเภทด้วยกั น, นแยออกเอาไว้เป็น5ประเภทนะครับมีปาติโมกกับสังวร สติสังวรญาณสังวรวิริยะสังวรนะครับแล้วก็ขันติสังวรครับแล้วก็มาอันสุดท้ายคืออวิติกรรมศีลนะศีลก็คือสภาพธรรมที่เป็นเครื่องไม่ก้าวร่วงนะครับซึ่งก็พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อธิบายเนื้อหามากนะครับเนื้อหาค่อนข้างจะมากแต่ก <possibly beer. c oughs> ็ให้เราได้รู้ว่าเนี่ยมีอยู่4อย่าง นะครับคือเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรรมศีลทีนี้ถ้าจะสรุปเลยเนี่ยนะครับเราก็จับประเด็นตรงนี้ครับว่าศีลเนี่ยมันมีความหมาย2ประการใช่ไหมครับความหมาย2ประการก็คืออย่างแรกสมาธานะใช่ไหมครับคำว่าความตั้งกายวาจาใจเอาไว้ดีคําว่าดีก็คือหมายความว่ามันไม่กระจัดกระจายที่ท่านอาจารย์บอกทีนี้ ไอ้คาว่าไม่กระจัด ก, กระจายเนี่ยมันสอถึงอะไรมันสอถึงว่ากายวาจาใจใดก็ตามนะครับเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญนะครับในชาตินี้ก็ดีชาติหน้าหรือเป็นเหตุแห่งการได้ประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานะการกระทากายวาจาใจนั้นแหี่ยเขาเรียกว่าศีลได้คือเป็นความตั้งเอาไว้ดีนะครับฉะนั้นเมื่อเอาอความหมายนี้แล้วเนี่ยเจตนาศีลเนี่ยนะครับก็คือความจงใจของเราในการ ทำกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าศีลได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นการตั้งเอาไว้ดีใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเป็นตัวเจตนาศีลเนี่ยในบรรดาศีลทั้งหลายเนี่ยจะเป็นเจตสิกศีลก็ตามนะครับสังวรศีลหรืออวิติกรรมศีลเนี่ยเว้นจากเจตนาศีลไม่ได้เพราะว่าจะต้องมีเจตนาเป็นเครื่องกํากับเสมอฉะนั้นตัวเจตนาศีลเนี่ยนะครับก็จะ หมายถึงการกระทําที่เป็นกุศลทั้งหลายนะเช่นเราดูแลบิดามารดานะครับอันนี้ก็เป็นศีล น, นะที่ท่านเรียกว่าจาริตศีล น, นะครับก็คือเป็นข้อที่ควรประพฤติฉะนั้นการกระทําเหล่านี้นะครับเป็นศีลทั้งหมดถ้ารวมสรุปก็คือว่ากุศลเจตนานะครับทั้งหลายทั้งปวงนะั่นแหละเป็นการตั้งกายวาจาใจเอาไวด้ดีนะครับก็เป็นตัวศีลในความหมายว่าตั้งเอาไวด้ดีแล้วก็อีกอย่างงด้วยนะครับกุศลเจตนาทั้งหลายเนี่ย สามารถที่จะเป็นพื้นฐานของการทํากุศลที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นการกระทําอะไรของเราก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นด้วยเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นศีลนะครับพรเพราะฉนั้นศีลเนความความหมายอย่างนี้เนี่ยก็จะมีความหมายที่กวา้างแต่ว่าพวกเจรศศรนะีนั้นนัก็พระองค์ก็ตรัสเพื่อที่จะเนื่องอยู่กับพวกศีขาบทบ้างนะเนื่องอยู่กับพวกกุศลกรรม บ, บุต่างๆบ้าง เช่นวิรติใช่ไหมครับความงดเว้นจากการฆ่าสารความงดเว้นจากการลักทรัพย์อันนี้พระองค์ก็ตัดศีนซึ่งเป็นตัวเจตสิกศีหรือวิรติศีก็ได้นะครับเนื่องอยู่กับพวกศีขาบททั้งหลายนะครับเนื่องอยู่พวกศีขาบททั้งหลายซึ่งเจตริกสีเนี่ยก็ต้องเนื่องอยู่กับเจตนานะถ้าไม่มีเจตนานะวิรติสีก็มีไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นอันนี้ผมก็สรุปพอ เอพอประมาณนะนะครับพอให้พวกเราจะจับใจความได้นะว่าการกระทำของเราเนี่ยหลกัหลกๆคือจาริจศีลวาลิจศีลเจตนาในการทําความดีต่างๆที่เราทําหรือเรางดเว้นจากข้อห้ามต่างๆในสี่ขาบททั้งหลายนะพวกนี้เราก็เรียกว่าเป็นศีล น, นะครับผมจะถามข้อต่อไปนะครับท่านอาจารย์จะเป็นเรื่องกา <c oughs> กสมาธีนวะ ะะเดี๋ยวเดี๋ยวไ อ, อ, อ, อ, อ, อ้อเกี่ยวัปในเรื่องของศีลกลัวกลัวโยมยข้ามประเด็นไปเนี่ยครับเมื่อกี้บอกสภาพธรรมของศีลใชู่ไหมครั บ, รบเ อ, อในรายละเอียดอันนี้นีขอขอขอยอมฟังเรื่องกุศลศีลตรงนี้พอจะชัดเจนไหมเนี่ย พอหนึ่งเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของตัวสีแล้วก็ตัวสภาพของสีเนี่ยสภาพธรรมของสีอยู่มั้ยทีนี้ตัวอา น, นิสงเอวยอะไรเอวยไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่กล่าวๆให้ยอมว่าชื่นใจบ้างอ๋อเดี๋ยวไม่ใช่ทายอาจารย์อ๋อเอางั้นะตอนนี้จะเอาสองหลักฮะความหมายแล้วก็ตัวธรรมะ น, น, นะครับเอาในอนุปปิกตถา ก็เลยจะเลื่อนมาการมาทีนวะนะครับพอจบพวกคําถามสองอย่างแรกเนี่ยนะครับก็จะค่อยเลื่อนต่อไปในการมาทีนวะนะครับมันก็จะมีคําว่ากามกัตอทีนวะนะครับคําว่ากามนี่ครับเราได้ยินกันบ่อยยมข้ามเรื่องอสักขามโทตรียข้ามข้ามไปเรื่องเรื่องสักขาม เรื่องสักขัญก่อนนะครับเมื่อเราทำทารักษาสีแล้วสิ่งที่จะได้ก็คือสุกติภพใช่ไหมครับสุกติภพรือสิ่งที่ดีงามนะครับในคำถามข้อที่หนึ่งครับท่านพอาจารย์ที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก แสนยากแต่มนุษย์มีเพิ่มขึ้นทุกปีข้อ น, นี้อธิบายอย่างไรครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์รูปใดก็ได้ครับอ้อนิมนต์นิมน่านาจารย์ีก่อนด้าันเตน่าจะเหมาะสมครับโยมชอบทำให้พระลาบากทีน้มิท่านนี่เป็นศีลนโยม ไม่ใช่นะโยมไม่ต้องเจริญหรอกนะตอนใบยบนี้โยมไม่ต้องเจริญหรอกนะเพราะว่าไม่ใช่ศีลเรากาลังคุยกับเรื่องศีลอยู่เนาะ ม, มนุษย์ษยพระพุทธพจน์แสดงไว้นะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากนะโยมอาจารย์สุรพงศ์ก็เลยตั้งคําถามมาว่าถ้ายากแล้วทาไมไมันเกิดกันง่ายเลยเดี๋ยวนี้ยนะถ้าเกิดพาถ้าเกิดคลอดธรรมดาไม่ได้พาเลยอสบายเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนนี่ วันเกิดของลูกเท่ากับวันตายของแม่เสี่ยงเท่าชีวิตเลยนะแต่เดี๋ยวนี้สบายมากเลยใช่ไหมนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อนเหรอือผ่าเลยนะดังนั้นก็แสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการเนี่ยของการที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมันมีมากขึ้นทุกทีโรคภัยไข้เจ็บมันก็สามารถจะรักษาได้นะแล้วก็การตายของคนเราก็ลดลงลดลงนะอันนี้จากโรคภัยไข้เจ็บนะแต่ว่าอุบัติเหตุ ต่างๆนี้เพิ่มขึ้นนะเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากว่านะเป็นไปได้นะถ้าจะเทียบกันว่าสัตว์เดรัฉานเนี่ยนะแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมีมากกว่าคนนี้เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยใช่ไหมปลวกลังหนึ่งหรือนวะ่ายุงหรือว่าสัตว์ในน้ําบนบกนะบนต้นไม้แม้ก็ทั่งในบ้านเรายมเชื่อไหมว่าในพรมนี้มีสัตว์อยู่เยอะมากเลยใช่ไหม นะมนุษย์เรานี่แค่กี่คนเองปัจจุบันนี้หกพันกว่าล้านคนเองนับได้ด้วยนะหกพันกว่าล้านแต่ว่าเอาแค่ปลาในทะเลนี่นับไหวไหมก็เลยสันนิษฐานว่านะสงสัยช่วงนี้คงเป็นช่วงหมดกรรมของสัตว์อบายนะแล้วก็อาจจะมีพวกเทวดาบางกลุ่มเขาหมดกรรมเหมือนกันนะแต่ว่ามันคงจะน้อยนะ อันช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณธรรมเจริญขึ้นมากหรือว่าบาปธรรมเจริญขึ้นมากนะรู้ได้อย่างไงอ่ะรู้จากอะไรดูจากอะไรช่วงนี้เราเห็นพระรหันห์เหาะได้ไหมนะไม่เห็นเลยใช่ไหมนะสามารถชี้ได้ไหมว่าคนไหนโสดาบันเนี่ยชี้ได้หรือเปล่าไม่ได้แต่ในยุคก่อนนี้เขาทํากันได้ นะแสดงว่าคุณธรรมเนี่ยเริ่มลดลงลดลงธรรมชาติเริ่มเสื่อมลงจากการที่บาป ท, ทำมากขึ้นนะเมื่อบาป ท, ทำมากขึ้นธรรมชาตินะสิ่งที่จำหน่วยความสะดวกโดยธรรมชาติโดยกุศลกรรมเนี่ยจะลดลงลดลงเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องไขว่คว้าแสวงหาจึงมีการริเริ่มมีการสร้างวัตถุต่างๆขึ้นมามีพุทธพจน์บทหนึ่งท่านแสดงว่าณศิยนะาโลกวัฒโน นะเขาแปลกันว่าอย่าเป็นคนรกโล ก, โลกแต่ความจริงแล้วนะมีพระสูตรมาคันทียาสูตรเนี่ยนะมีคนเข้าใจผิดว่าเมื่อเห็นสิ่งใดแล้วก็ให้ทิ้งไปแล้วก็เห็นสิ่งใหม่ๆเมื่อฟังสิ่งใดแล้วก็ให้ทิ้งไปฟังเสียงใหม่ๆให้ดมกลิ่นใหม่ๆหม่ริมรสใหม่ๆ ถ, ถูกต้องสิ่งสัมผัสใหม่ๆนั่นคือความเจริญของพวกพราหมณ์ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้ก็คือว่าอย่าพยายามที่จะไปสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นด้วยโลภะนะเพราะนั้นเนี่ยการสรรสร้างสิ่งต่างๆนี่เกิดจากอกุศลเกิดจากโลภะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมการที่จะไม่ให้โลกเจริญก็คืออย่าให้โลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเจริญด้วยอํานาจของโลภะเพราะถ้าโลภะเจริญโลกคือวัดตาจะเจริญตามไหมก็ต้องเจริญตามด้วย นะในสมัยอดีตการนี้เขาไม่ได้นิยมวัตถุนะเขานิยมคุณธรรมแต่ปัจจุบันนี้เรานิยมวัตถุถ้าขาดวัตถุนี่อย่างเช่นถ้าเกิดแอร์เสียนี่เราจะฟังธรรมะกันไหวไหมเนี่ยฮะไม่มีอาหารให้รับประทานนะจะฟังธรรมะไหวไหมเราพึ่งวัตถุกันมากเลยทีเดียวก็เป็นไปได้นะก็คือพวกสัตว์ที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะเนี่ยตอนนี้ก็มารุมกันมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วก็ช่วงนี้เป็นมนุษย์ที่ตกต่ําก็คือคุณธรรมนั้นไม่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีการศึกษาพระไตรปิฎกกว้างขวางกว่าขั้นดีตการนะหมายถึงในช่วงนึกยุคนึงก็คือช่วงของสมัยอยุทยาสมัยก่อนหน้านั้นคําสอนไม่ได้แพร่หลายโดยเฉพาะสตรีทั้งหลายนี่หมดโอกาสนะในการที่จะอ่านพระไตรปิฎกนะแต่ว่ายุคนี้นี่แพร่หลายมากๆเลยแต่ว่าสติปัญญาของเราดีมากไหมนะเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ ใช่ไหมนะเรื่องช่วยความจําต้องใช้หนังสือที่จดต้องมีการขีดการเขียนการจ ด, ร ด, รดบันทึกแต่ครั้งอดิตการนี้ก็ให้ความสําคัญมากแล้วเขาก็พยายามที่จะสนใจใส่ใจธรรมะบทใดที่เขาฟังแล้วได้ยินแล้วเนี่ยเขาเาไปใส่ใจนะแต่ของเรานี่เอาไปใส่ใจด้วยใช่ไหมด้วยนะนั้นก็ฟังแล้วก็เอาไปเก็บแล้วก็เอาไปพิจารณาไม่ได้ฟังแล้วเอาไปทิ้งอันนะมันก็เป็นไปได้นะว่าการวิวาทใจเกิดของสัตว์เนี่ยตอนนี้ สัตว์ทั้งหลายในวัฏะก็พ้นกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์นะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะกลับไปเกิดอีกนะเกิดที่ไหนอีกส่วนใหญ่ก็เกิดในอบายอีกพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะว่าผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาอีกนั้นยากนะแต่ว่าเกิดเป็นสัตว์โรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัชานั้นง่ายแสนง่ายเลยนะนนช่วงนี้ถ้าเราไม่ได้บำเพ็ญคุณธรรมกุศลกรรมบวทั้งหลายหรือว่ารักษาศีล โอกาสไปเกิดในอบายก็จะสูงแต่ผู้ที่ฝักใฝ่ศึกษาพระธรรมคาสอยแล้วก็อบรมเจริญตรรศิขาเราก็มีโอกาสจะไปเกิดในที่ที่สูงขึ้นกว่านี้นะช่วงสี่พันปีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกบีไหมโยมดีหรือเปล่านะช่วงนี้ก็ชุนลมุนมากแล้วใช่ไหมนะงั้นก็ช่วงสี่หปีก็ต้องไม่ต้องมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่ว่ายังต้องเกิดอยู่ไหเนี่ย เพราะนั้นก็ทําทางที่จะไม่ไปสู่ที่ลําบากแล้วทางขนทางที่วิเศษเลิศเลยก็คือมรรคในองแตกนะนะก็ทําให้ไม่ตกต่ําแล้วก็สูงขึ้นจนกทั่งไม่ต้องมีการเรนว่าใจเกิดอนะอใครจะเสริมครับนีมลเออตรงนี้ขอขอครบเสริมประเด็นตรงนี้นิดหนึ่งว่าในในกรณีอย่างการที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ที่ทางท่านทางอาจารย์สุรพงศ์ถามมาว่า ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากแต่ทำไมประชากรเพิ่มขึ้น <c oughs> ใช่ไหมสถิติคงจะสำรวจจากข้อมูลของโลกขเขาบ้างแน่ๆแต่ที่แน่ๆเราไม่ได้สำรวจว่าสมัยครั้งพุทธกาลประชากรเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะถ้าเราดูจากที่สาวตถีเนี่ยประชากรเฉพาะตัวเมืองหลวงเนี่ยประชากรเจ็ดโกรธเจ็ดโกรก็คือเจ็ดสิบล้านใช่ไหมแต่เป็นภรรยาซะห้าโกรห้าสิบล้าน นั่นก็ไม่มีเรานะก็ <c oughs> ไม่มีพวกที่นั่งอยู่นี่เลยร้นต้องอัดมาก็มีด้วยทีนี้ถ้าเราดูจากที่ ก, กรุงกบิลพัทในเมืองหลวงใช่ไหมกรุงราชคลีร์เนี่ยมีอยู่เก้าโกดแล้วก็นอกอีกอีกเก้าโกดแต่ไม่ได้ระ บ, บุจํานวนพระระยะแต่ก็มากนะแล้วเมืองอื่นไม่ต้องกล่าวถึง ถ้ามองในลักษณะชั้นคําสอนเนี่ยต้องถ้าถ้ายกมาทั้งชุดจะเริ่มเออพวกเราจะเห็นภาพชัดขึ้นพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกใช่ไหมสิ่งที่หาได้ยากคือพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกประการต่อมา ก, การได้ฟังพระสัตธรรมก็หาได้ยากในโลกฉะนั้นพระสัตธรรมตอนนี้ก็เริ่มหาฟังได้ยาก พระสงฆ์ก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่จงะสงสาวของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสอนของพระศาสดาสัตว์บรุษทั้งหลายก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลกและการได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องที่ยากและการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นเรื่องยากแล้วกระการสุดท้ายที่บอกว่าความถึงพร้อมด้วยขณะขณะที่เก้า คือปกติก so mm ็คือว่าขณะนี้หมายความว่าเราเนี่ยโดยมากก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นต้นอะไรเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นบาปบาปดหัวใกล้มาตามลาดับสรุปว่าก็คือว่ามนุษย์เนี่ยยากทีนี้ถ้าเราพูดถึงมนุษย์เนี่ยถ้ามองในชั้นของคําว่าจากโลกแต่ละใบแต่ละใบเนี่ยใช่ไหมเพราะประชากรที่เป็นมนุษย์เนี่ยในชมพูทวีปก็มีมนุษย์อุตรากุรุทวีปก็มีมนุษย์ปุกเผาวิเทห์ทวีป อัปราโอยานะทวีปนี้ก็มนุษย์มีทวีน้อยสองพันอีกเป็นบริวารก็ว่ากันไปเหอะฉะนั้นในชั้นของเทวดาเลยก็กกอีกมากมายเพราะสัตว์โลกเนี่ยหาประมาณไม่ได้ใช่ไหสัตว์โลกนี่หาประมาณไม่ได้ไตไไดแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่จะได้มาเกิดแล้วได้มาฟังพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเหลือน้อยนิดเนี่ยอันนี้มันน่าใจหายด้วเลยใช่ห ถ้ามองอย่างนี้ระบบการเคลื่อนย้ายเนี่ยจุติจากพบหนึ่งมาเกิดอีกพบหนึ่งก็ไม่ต่างกันนะถ้าหากประเทศลาวขอภปเนี่อพยพมาประเทศไทยมากประเทศลาวก็น้อยใช่ไหมไมันจะเป็นแบบนี้หรือไม่ในในเพราะในทเวีต่างๆมากมายในสวนรรค์ทุกชั้นก็ไม่รู้คํานวณไม่ได้ ส, สัตว์ใช่ไหมจำนวนสัตว์โลกเนี่ยไม่สามารถที่จะคนานับได้เบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ถ้าเรามองอย่างเนี้ย ถ้าในที่อย่างท่านอาจารย์สันติพูดมาจะเห็นว่ายังไงก็น้อยกว่าประชากรของอบรรยัยัสัตว์เฉพาะสัตว์เดรัจฉานยังไงก็น้อยกว่ามากที่บอกว่าหกพันล้านนี่น้อยนิดน้อยมากถ้าในทัศนาของ เ, เอว า, านี่นะถือว่ามนุษย์ก็น้อยแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ก็น้อยอยู่นั่นแหละถ้าดูจํานวนแค่หกพันล้านนี่นะน้อยมากๆเลยแม้จะเอาสัตว์ในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ย น่าจะมากกว่าได้ไหมตั้งแต่ต้นน้ํากับปลายน้ําเนี่ ย, น, ยน่าจะมากกว่าประชากรทั้งทั้งโลกหรือเอาในในทะเลฝั่งทะเลบ้านเรานิดหน่อยแค่นี้ประชากรในสัตว์น้ําี่สัตว์น้ำมันไม่รู้จํานวนเท่าไหร่ยกขึ้นมาขนาดใช้อวนลา ก, กันขึ้นมาไม่รู้ทุกวันทุกวันไม่เห็นใช่ไหมประชากรก็ไม่ไม่รู้สึกจะพร่องลงเลยเนี่ ย, น, ยนะใบยาสัตว์เยอะจริงนอกนั้นไปดูมดตามจอมปวกก็ดี ไปดูหมู่นอนทั้งหลายที่อยู่ในส้วมทั้งหลายก็ดีเยอะแยะมากนี่เนื้ฉะนั้นยังไงก็เอาบรรยศัสตร์ก็มากมายเหลือเกินฉะนั้นถ้ามองในประเด็นที่ตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งถ้ามองเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มากอะไรเลยไม่ได้มากอะไรเลยแต่ถ้าหากมองจากเทียบเคียงกับสัตว์อื่นแล้วเนี่ยมนุษย์น้อยมากมากน้อยมากแลงน้นน้อยแบบน่าใจหายเลยทั้งไปถ้ามองนเนี่ยเนื้อ ที่สุดจริงๆแล้วถ้ามองตามไล่ลําดับดูบอกว่าการได้ฟังพระสัตย ธ, ธรรมยิ่งน้อยใหญ่หรือสงที่จะเข้ามาเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งนอ้อยสาตว์บุรุษทั้งหลายก็ยิ่งยากมากแล้วก็การได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องยาก น, นั้นก็ดังที่ไดกที่สุดจริงๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากนี่คือข้ออุปมาท่านก็จะอุปมาไว้ค่อนข้างเยอะๆในเรื่องรายละเอียดต่างๆแต่สรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้าพูดถึงการเกิดของมนุษย์พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์หวังอนุเคราะห์พึงกระทําแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้กระทาแล้วแกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายน่นโคนไม้ใช่ไหมน้นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจใช่ไหมทั้งอารามานูปณิชานลัคนูปณิชานยาประมาทย่าประมาทก็คืออย่าเป็นอยู่โดยการขาดสติให้ตามระลึกระลึกได้ตามระลึกได้ อย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราเก่เธอทั้งหลายถ้าเรามองอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าต้องการถ้าพูดถึงท่านถ้ายันสุรพงษ์ถามปัญหาเรื่องหรือญาติโยมที่ถามปัญหาเรื่องว่ามนุษย์น้อยเนี่ยนะมนุษย์ว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากแต่ทำไมมนุษย์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่ที่น่ากลัวก็คือมันเชื่อมโยงกับคำว่าสังสารวัฏการอุบัติเกิดขึ้นมา เ, เมื่อเราเห็นอาบายศัต ร, ร์มากมายขนาดนี้สิ่งกิจที่เราควรทําก็คืออย่างที่พระบรมศาสดาฝากเราไว้ ว่ากิจใ ด, ดที่ตถาคตพึงกระทำแก่เธอกิจ น, นั้นพระพุทธเจ้าทำแล้วแต่ใช่ไมกิจในกรณีที่ในฐานะที่พระบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ทำไว้วางรูปแบบไว้เบ็ดเสร็จแล้วเหลือพวกเราที่มานั่งสนทนากันในวันนี้